بسم ا a, a, a ah uh. k k ati, k k h ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความจำเริ illah, k rab, k rab ong ong ่นจะเอองอ Allah سبحانه وتعالى ประสบกับพี u, ่น้องผู í, ong, ้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับคำดุรินละพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับวันนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนและตรหนักนะครับในช่วงโอกาส ในช่วงเวลานะครับที่เราได้รับจากอัลลอสุบฮานะฮูัตตาลานะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เรายังได้สติสัมปญะสมบูรนั้นเราทำอย่างไรนะครับดังนั้นการศึกษาการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับอย่ามองเป็นเรื่องของเด็กๆอย่ามองเป็นเรื่องของออวัยนะครับที่ยังไม่ขึ้น ประถมยังไม่ขึ้นมัธยมเป็นวัยของอนุบาลที่เราก็ผลักดันให้ได้เรียนคุรานไม่เลยครับกุรานนะครั บ, รบเป็นคัมภีร์ที่ประธานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาประธานให้กับท่านนาบีสโลล่าวิสลัมมาสอนมาบอกนะครับและเป็นธรรมนูญให้กับเราทุกๆคนนะครับเป็นทางรอดและทางนําให้เราทุกคนเลยนะครับดังนั้นเมื่อความสําคัญของอัลกุรานขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับที่จะได้ นำอัลกุรอานนะครับมาสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนพี่น้องครับขอให้เรานั้นได้พยายามนะครับที่จะได้นำอัลกุรอานนะครับมาสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเรานะครับจะอ่านนะครับหรือจะเขาเรียกว่ า, าท่องจำรู้ความหมาย หรืออันใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมใดของอัลกุรอานก็ถือว่าให้เรานั้นได้พยายามนะครับที่จะได้ให้ตัวของเรานั้นนะครับได้มีการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัลกุรอานนะครับอย่าคํานึงอย่าเพิ่งไปไปไปวางข้อเร่กมาตรฐานของการศึกษาอัลกุรอานว่าจะต้องรู้ต้องขอดใจต้องรู้ภาษาอาหรับ ต, ต้องนู่นต้องนี่เราตั้งกติกา เพื่อเป็นกำแพงไม่ให้เราไปสู่การศึกษาแต่ถ้าหากว่าวันนี้พี่น้องครับหนึ่งอะไรครับเราอ่านอ่านไม่ได้ฝึกอ่านนะครับเริ่มตั้งแต่การฝึกอ่านนะครับแล้วก็ไปอ่านเสร็จแล้วท่องจำรู้ความหมายฟังกฟังุงรานฟังความหมายและพัฒนาขึ้นไปถกูการเข้าใจในบริบทต่างๆนี่คือเป็นสเต็ปได้ช่วงไหนอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคุรานเป็นคมภีที่มาจากอัลล ทุกอย่างที่เกี่ยวอัลกุรอานได้ผลบุทั้งสิน้นะอ่านหนึ่งอักษรได้10ความดีนี่คือคือทั้งหมดที่ ท, ท่านนาบีบอกเอาไว้แต่นั้นอยากให้เราพยายามได้ใช้เวลานะครับบริหารให้ได้นะครับว่าทํายังไงให้กุรอานมาอยู่ในระบบการใช้ชีวิตของเรารายวันให้ได้นะครับดังนั้นพี่น้องที่ติดตามรายการเสรีอิสลามทุกๆ ท, ท, ท่านเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราใช้เวลาของเราตรงนี้เราให้โอกาสกับตัวเองตรงนี้นกับอัลกุรอานนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่ง การสื่อสารนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วใช้สิ่งนี้นะครับให้อยู่กับเราแบบ24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับเอาละครับพี่น้องครับกลับมาในช่วงของการเรียนรู้อัลกุรอานนะครับเรายังอยู่ในซุระัลอันกาบุตนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องในอายะที่ยี่สินะครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราพูดไปครึ่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าท่านนบีบรหิมได้เชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชาติได้นํา สิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะรูปปั้นเหล่านี้มาเป็นพระเจ้าอื่นจาก Allah มาเป็นสิ่งสักดิ์สอื่นจาก Allah และสร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี้แปลว่าอะไรครับเห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาแตะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นความรักใคร่ระหว่างการใช้ชีวิตโดยไม่ได้คํานึงถึงว่า จริงหรือเปล่ามาจากไหนทั้งหมดเหล่านี้นะและใครไปบอกว่านี่คือความจริงที่กําลังทําอยู่ไม่มีใครด้วยมองด้วยความรักมาไม่ว่าจะขออะไรไม่ว่าอยากจะได้อะไรจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราพร้อมที่จะให้แสดงถึงความรักความผูกพันแต่อย่าลืมนะครับในอายาเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาได้บอกว่าซุมมาเยอมัลกียามาและหลังจากนั้นวันเกียร์มาคือวันฟื้นคืนชีพอีกครั้งนี่แหละครับพี่น้องตัวชี้วัดให้เห็นเลย นะครับวันและหลังวันเกีย้ยวทําไมครับยักฟรุบ้าโลกุมบีบ้าดนะพระองค์อัลลอสุบฮานะฮตาลาได้บอกเลยครับพวกเขาเหล่านั้นจะปฏิเสธซึ่งกันและกันพวกเขาเหล่านั้นจะต่อต้านซึ่งกันจะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันโอ้หน้าคิดนะนะฮะซักทอดกล่าวหาหนู่นนี่นั่นพูดไงว่า ความรักที่เคยมีความเห็นพ้องต้องการที่เกิดขึ้นนะคนพยายามปกป้องร่วมกันทั้งหมดเลยเป็นยังไงไม่มีเลยไม่มีเลยครับเป็นการฝ่าฝืนเออเป็นการเาขาเรียกว่าไม่ยอมรับสิงนะบบบส่งกันและกันนะครับปัดความรับผิดชอบสึ่งกันและกันแล้วก็อ้างต่างๆอะไรที่อ้างได้อะไรเกิดขึ้นหมดเลยลอยากฟรุบนนรบ่ตะกุมบ่ ยังไม่พอในเรื่องการปฏิเสธแต่ยังในเรื่องของการสาปแช่งกันอีกกล่าวหากันอีกนะฮะใส่ร้ายกันอีกทุกอย่างเกิดขึ้นเลยในวันแห่งการตอบแทนเพื่อเมื่อเห็นสัจธรรมเมื่อเห็นบทลงโทษเมื่อเห็นขลังความน่ากลัวของวันแห่งการตอบแทนหรือวันกียร์มาแล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับมา ย้อนกลับมาถึงนึกถึงโลกดุรยาแลนะ้วว่าโอ้ที่เราฉันผิดไปเพราะคนนั้นพี่ฉันพลาดไปเพราะคนนี้กลุ่มชนนี้แหละทาให้ฉันพวกนี้แหละทาให้ฉันนู่นนี่นั่นเห็นไหมเริ่มใส่ร้า ย, รายเริ่ม อ, อให้อัลลอฮ์ว่าลงโทษคนเหล่านี้เพราะเขาเป็นหัวหน้าฉันเ อ, อเขาเขาทําให้ฉันต้องหลงผิดทําให้ฉันต้องนู่นนี่หมดเลยครับนะเราได้อะไรจากตรงนี้พี่น้องครับร่องดูนะครับว่า ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้สติวันนี้เรายังไม่เปิดใจที่จะที่จะยอมรับที่จะเข้าใจในบริบทของความเป็นจริงที่แท้จริงด้วยนะว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครนะเรายังพูด ล, ลอย้อยู่นะครับโดยที่ไม่มีแกนสารนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าสาขาอันนี้มาจากไหนต้นตอของสาขานี้มาจากไหนยังไม่รู้เลยเพียงแค่เห็นปๆก็รู้สึกสา ว, ว่าดีสาวว่าใช่ นะครับจะเอาไปลายเนี่ยไปส่งต่อทั้งหมดเลยโดยที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออะไรนะครับท่านนาบีบรหิมาเลหิสลัมนะครับได้บอกได้ได้ทําให้เราเห็นในในหลายเรื่องนะครับและเอาล็อกซุปฮานาหัวตละลาก็ได้เชีย้ยให้เราเห็นว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นในวันไหนวันเกียร์มาเพื่อให้รู้ว่าถ้าวันนี้ใครจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถึงวันนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้ว ก็ที่เหลือทําไงล่ะครับก็สาบแช่งซึ่งกันและการกล่าวหาซึ่งกันและการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายทําไมครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สาบแช่งและผู้ที่ถูกสาบแช่งผู้ที่กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาผู้ที่ปฏิเสธซึ่งกันและกันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันทั้งทั้งที่เมื่อตอนอยู่ในดุนยาเมื่อเราลบใบนี้รักไข่กลมเคียวเห็นพร้อมต้องการพร้อมสนับสนุนโอ้ทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ถึงวันนั้นนะครับ อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้บอกนะครับว่าวะมะวากุมุนนาที่ผคำนักของพวกท่านทั้งหลายหมาอถึงบุคคลที่ปฏิบัติสั่งเหล่านี้พฤติกรรมของคนเหล่านี้ที่พคำนักของเขาก็คือนรกยนันน้ำไฟนรกที่รุกชดช่วงที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและแน่นอนครับไม่ใช่แค่แป๊บเดียวไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มันนิรันดร์นะครับมันต่อเนื่องมันเป็นอะไรที่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองไม่ใช่ร้อนเท่ากัน มันจะเป็นการทวีคูณทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันการที่จะต้องถูกทรมานนะแล้วก็ถูกลงโทษในนรกหรือในไฟนรกที่รุกช่วงขนาดนี้นั้นไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะช่วงระยะเวลากี่วันกี่ครั้งเปล่าเลยเป็นนิรันดร์ น, นะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่าผิดพลาดเพียงแค่สิบปี นะครับผิดพลาดพาเพียงแค่30ปีจะต้องไปเจอกับนิรอนดอนขนาดนั้นอีกนะครับถ้าวันนี้เราอดทนวันนี้เราศึกษาเรียนรู้และรู้ถึงสัจธรรมที่แท้จริงมันจะทำให้เราปลอดภัยเราจะให้รอดพ้นจากการลงโทษจากไฟนรกนิรันดอนๆๆเช่นเดียวกันนะครับและอัลลอฮฺสุภาณนะหัวตาลาได้บอกว่าอุามาละกุมมินนาซีรินนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ บอกบมดทุกอย่างขั้นตอนทุกบทบีดบอกให้หมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้ตระหนักได้ใส่ใจได้รู้ถึงการตักเตือนนะครับว่าวามาและกุมินนาซซรินจะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือพวกท่านทั้งหลายได้จะไม่มีใครจะมาต่อรองจะมาออกหน้าแทนหรือจะมารับประกันไม่มีเลยนะอัลลอฮฺสุพานณหัวตาลาบอกชัดเจนวามาละกุมินนาเซรินดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีใครช่วยเหลืออีกแล้ว มาตักเตือนไหมมาชวนไหมมาอะไรไหมไม่มีครับโลกดุญยานี้มีการบอกมีการชวนท่านนาบีบรหิมอะลัยซัลธรรมให้เห็นว่าในประชาชาติที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักห่วงใยมีญาติมีคนรู้จักในหมุดชุมชนก็บอกก็สอนก็ชี้ใหเห็นทำให้ดูทุกอย่างเลยและยังบอกให้เป็นข้อคิดด้วยสุดท้ายก็ไม่ยอม ต่อต้านและยังได้ทําร้ายท่านนบีอิบราฮิมาลัยสลามสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะลาได้บอกถึงพฤติกรรมและผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านี้ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างไรและจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยนะครับต่อมานะครับอะไรอายาธเตยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะลาจึงได้เห็นนะครับฝ่าฝ่อามานะละหูลูดและนบีลูดอัลัยฮิสลามนะครับก็ยอมรับในใน ในในอิสลามที่นบีท่านนบีอิบราฮีมได้นำมาเผยแพร่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวอยู่ในนบีลูตกับนบีอิบราฮีมเป็นเขเรกเครือญาติดเดียวกันนบีนบีลูตถือเป็นมีสักเป็นหลานของนบีอิบราฮีมอาลัยพและเป็นคนหนึ่งที่ยอมแล้วก็ศรัทธานะครับแล้วก็ยอมรับในคำสั่งสอนในคำชี้นำของนบีอิบราฮมอาลัยเป็นบุคคลแรก นะครับที่น้อมรับและยอมรับในคำสั่งสอนพูดงายว่าอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนปหะครับบุคคลที่อัลลอ์เลือกให้เป็นรัศูีนะครับพระองค์ก็ปกป้องในทุกๆด้านและเมื่อมีอะไรที่จะมาบอกก็ได้ข้อคิดและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับในแนวทางคำสั่งสอนที่ท่านนาบีอิบรหฮิมอะ ล, ลัยฮิสลามได้บอกเอาไว้นะครับและนบิบรหิมก็ได้บอกนะครับกับนบีลูที่บอกว่าว่ก ok uh ็ละอินนีมฮัจญรุนอิลารอบบี บอกว่าฉันจะเดินทาง อ, อพยพจากพื้นแผ่นดินหรือจากบ้านเกิดของฉันเนี่ยนะครับไปในหนทางของลอกสุภาอตอตระลัแปลว่าอะไรครับเนื่องจากเผยแพร่แล้วบอกกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ถูกต่อต้านถูกทําร้ายนะครับในทุกรูปแบบนะจึงได้บอกนะกับนบีลุตอะไลฮิสลามนะครับว่าฉันจะต้องเดินทางต้อง อ, อพยพนะครับ เ, เดินทางต่อไปนะครับ เพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอสุบฮานาหูวตาลานะครับ hu hu อินนาหูอัลาอฺซีซุลฮะกีมพราะแท้จริงพระองค์ผู้ทรงปีชัยนะแปลว่าอะไรครับตรงนี้พี่น้องครับมันไม่ใช่หมายความว่าหนีปัญหานะไม่ใช่นะครับพยายามแล้วก็พยายามแล้วก็พยายามนะความเดือดร้อนความไม่เห็นด้วยการต่อต้านการอะไรเกิดขึ้นแย่มากมายนะครับจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงการทาร้าย เรื่องของจะเอาชีวิตและเมื่อสึงสสุดขีดสุดท้ายก็แน่นอนครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องอพยพนะครับถ้าเราจะมองในจุดนี้จะเห็นว่าในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับเผยแร่ศาสนาแนะนำเชิญชวนนะฮะบอกกล่าวทุกอย่างสุดท้ายถูกทำร้ายนะครับคนที่เชื่อก็ถูกทำร้ายคนที่ปฏิบัติก็ถูกทำร้ายถูกทรมานหลายๆจนกระทั่ง อนุมัติให้มีการอพยพนะครับ ท, ที่เราที่เราทราบปันย์อยู่ว่าซาวฮาบาได้อพยพไปทางที่ฮัมบาร์ชะหรือเอธิโอเปียนะครับและท่านนาบีก็ยังคงอยู่เพราะยังไม่ถูกยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละนะและเมื่อข่าวที่ถึงขีดจุดหนึ่งนะได้ถูกอนุมัติให้มีการอพยพนะครับนั้นเช่นเดียวกันครับท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามไม่ใช่ว่าปัญหาแรกไม่นั่นก็ไปเลยไม่ใช่เป็นการ อดทนเป็นการอยู่ร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้โอกาสสอนบอกทำให้เห็นพูดให้คิดทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นนะและอันนี้แน่นอนครับเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นได้สติมากๆนะครับว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับเมื่อบอกให้รู้ทำให้ดูสอนให้คิดเมื่อไม่เกิดขึ้น น, นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขา นะผู้ที่ไม่ยอมรับเขาปิดประตูตัวเองที่จะได้รับทราบรับฟังโดยมีอะไรครับประตูมีหลายบานนะที่เขาปิดไว้ 1. เสียฟอร์ม ส, สกลัวเสียอนานาจ3กลัวเสียมนชนนะฮะสกลัวผิดคําพูดที่เคยพูดใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นประตูและมันไม่ใช่แค่นี้นะมันมีหลายประตทูที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อหรือกําแพงที่ตั้งขึ้นมาเหล่านี้เพื่อไม่ต้องการไปถึงสัจธรรมอันนี้ ด้วยอะไรครับตัวเองปิดกัน้นดังนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่การทำนานการปฏิบัติการมุจาหะไดาหรือพยายามนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นรสูลของคนที่มาเผยแร่ศาสนานะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเปรียบเทียบเรานะครับที่ถือว่าได้เป็นวรรษตุลอัมเบีย นะครับเป็นผู้ที่รับมรดกของท่านนาบีนั้นเราก็ต้องพยายามนะครับอย่าคิดว่าทำครั้งเดียวแล้วจบอย่าคิดว่าทำแค่ปีเดียวแล้วจบแต่ต้องพยายามต่อเนื่องนะครับตราบใดที่เรายังมีสติยังมีลมหายใจยังมีความสามารถอยู่ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตัลให้รางวัลกำลังใจ นะครับให้กับนบีอิบราฮิมอะเลซัมแลวบอกว่าวาวฮับนาลาฮุอิสฮากอวยะโคมนี่คือสิ่งหนึ่งที่แน่นอนแล้วครับนะทุกคนนะที่มีครอบครัวก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้มีทายาทไม่ใช่เพะสืบสายตระกูลนะแต่เพราะต้องการที่จะได้สอนจะได้บอกจะได้ให้เป็นเาเรียกว่ากำลังใจของหัวใจที่อาจจะลำบากหรืออาจจะ อดทนต่อสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวาวะฮับานาละหูอิษฮากกวายาคุบและเราได้ประทานลูกที่ชื่ออิสฮากนะครับและหลานที่ชื่ อ, อ, อยาคุบซึ่งแน่นอนถนะ้าสองท่านนี้ก็เป็นรอซูลนะเป็นรอซูลนะครับวะยาลนาฟิซูริยติินนุบูวะตะวัลกิตาเหไหฮะและเราได้ทําให้อะไรวงตระกูลอันนี้สายทานสายญาติอันนี้นั้นยาวนะครับที่ได้เป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นนบี แล้วก็ได้รับคำพีจากฟากฟ้าด้วยนะพูดง่ายๆว่าเป็นสายหรือต้นตระกูลนะครับที่ยาวมาตลอดนะครับที่มีในในสายสัมพันธ์อันนี้นั้นเป็นรอซูลเป็นนบีเป็นผู้ที่ได้รับคำพีจา ก, ากฟากฟ้าหรือจากอัลลอฮสุภาหนาะหัวตาลาเพื่ออะไรครับมาสอนมาบอกมากล่าวนะมาแนะนำให้กับประช า, ช า, ะ ช, าชาตินะครับใน นไหนครับในแต่ละช่วงเวลานะครับของบรรดานบีทั้งหลายนะครับวอาเตยานะหัวอะเจโรฟิดุญยาและเราก็ได้ให้รางวัลนะครับเราก็ได้ประทานนะครับรางวัลให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของศาสนาในการที่ทุกคนนั้นได้รับนะ เขาเรียกว่าการเป็นรอซูลการเป็นนบีการเป็นผู้ที่นำอิสลามมาบอกมาเผยแพร่ น, นะครับในโลกดุนยานี้ว่าอินนหูฟิลอาเครติลามินอสโวลเฮตินนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้รู้ว่าความพยายามความอุตสาหะมันเพียนมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในช่วงของที่เรายังมีชีวิตอยู่อาจจะนะนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าการทาความดีนั้นมันจะไม่ได้รับอะไร นะมันจะได้ไม่มีอะไรเปล่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเมื่อนบีบรหีมอุตสาหมันเพียรพยายามฟันฝ่านะอุปสรรคต่างๆในการบอกในการกล่าวในการเผยแพร่ศาสนาในการเชิญชวนประชาชาติและแล้วอัลลอฮ์ก็ให้และประทานลูกหลานนะครับยาวมาตลอดนะครับนะจนถึงนบีอิสาฮสาลามนี่เป็นรสูล น, นะฮะได้รับคำภีคาจาก พระผู้เป็นเจ้าคือจับเอาล็อกซุปทานหัวตาลาเพื่อได้เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นทางนำให้กับประชาชาติในยุคต่างๆนั่นนะครับและก็ยังได้ยืนยันอีกว่าหัอินนาหูฟิลเอเคโรติลาเมนโซเลและในวันเกียรมเขาเหล่านี้ก็จะได้เป็นผู้ที่ซอเละนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายนั่นหมายความว่าอะไร ก, ก็คือเป็นชาวสวรรค์เป็นผู้ที่ได้รับ การยอมรับจับอัลลอสซุบฮานะฮุวตะตรงนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าการอุตสาหะการมั่นเพียรพยายามการทุ่มเทนในเรื่องของศาสนาไม่ได้จบแค่บอกว่าไม่มีใครเป็นพวกไม่มีใครมาสนับสนุนไม่มีใครมามาเข้าใจเปล่าเลยนะฮะวันนี้เราอาจจะเ้าเรียกว่าอาตัตคัดโดนอพยพโดนการแก้งโดนทำร้าย แต่สุดท้ายบัณฑปลายและแน่นอนครับผลลัพธ์ในวันแห่งการตอบแทนคือวันเกียร์มะเราจะได้เห็นและเราจะได้อยู่ในกลุ่มชนหรือในหมวดหมู่ของผู้ที่ทําความดีทั้งหลายหรือเรียกกันว่าชาวสวรรค์นั่นเองดังนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนที่อัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลาให้แล้วบอกให้เราได้รู้การศึกษาพี่น้องครับการเรียนรู้การทำความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของอัลกุรอานจะทําให้เราได้มีมีแนวคิดมีวิธีคิด นะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของชีวิตเราในดุนยานี้เพื่ออะไรเราจะเดินทางไปทิศทางใดนะครับหรือเราจะท้อแท้ล้มเหลวกับบททดสอบเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่คิดที่จะเดินหน้าต่อเราไม่คิดที่จะนั่นกันนั้นหรือเพราะนี่คือ ตัวอย่างนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้และเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นและชัดเจนจากประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นเราได้รู้เราได้ประจักษ์นะครับว่าการน้อมรับการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาให้อย่างไรนะครับดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องพยายามนะครับอุตสาหามันเพียรพยายามในเรื่องราวของศาสนานะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสล امة الله ุมาราะห์มัตุลลอฮฺวะบารากะต